นะฟังตางกันเนาะ <c oughs> แก้หนาวโดยมีสมาธิใจใจสมาธินี่สักชิดถ้มีอารมณ์เป็นหนึ่งลืมหนาวลืมร้อนได้เหมือนพราะสิท ธ, ธัตะสมัยเป็น จนเจ็ดปวกไปแลกนาะสวนอหอยู่ในต้นว่านั่งสมาธิแม่แดดจะเลื่อนไปลมมอจะหนีจากก็ยังนั่งอยู่ได้เกาะสมาธิการเก็บการปวดอุทนาต่าง งัดเทาเบาบางลงได้สมาธิเป็นอริรัพย์ของชีวิตของเราอันหนึ่ง ต, ตื่นตัวไวใจแนวแน่อย่าหวั่นไหวคงเส่นคงว่างดให้ปราจํจนานี้จํานานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นทาง ของชีวิตที่ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ว่าไา่ย ม, มากขยายออกไปเป็นอริมกักครบถ้วนบริบูรณ์ในการดำเนินชีวิตไปสู่มรรคู่ผลถึงมรรคถึงผลได้ไม่ว่าจะไปไหนต้องมีทาง ทางเดินของชีวิตจิตใจก็มีทางอาชนานทางเอาไว้ยืวิตของเรามือนว่กีลังยั่งยืนมีทางผ่านชีวิตนี้มันเป็นทางผ่านไม่ใช่หมายอยู่เกิดมาเนี่ไม่ใ่มาเกิดมาอยู่ในโลกนี้เป็นทางผ่านไปเรื่อย บางคนก็เดินถึงตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆก็ยังโชคดีจะได้ปลอดภัยจะได้สะดวกในการดำเนินชีวิตของตนเองจะได้แกกของสะตะเกียงช่วยคนอื่นได้เป็ประโยชน์ามีอะไรชอบอย่างนี้อย่าจน ะหวหาโดยตามหลักของการจึกษาที่เป็นแผนที่เอาไว้ใหาจำนานมิถิแผนที่ไม่ได้เดินตามมันก็ไปไม่ถึงไปไม่เป็นัดดำเนินชีวิตไปมิสติสมชัญญา สอนกายสอนใจตัวเองให้ไปทางที่ถูกมันก็บอกผิดบอกถูกสมผัสได้ความผิดสมผัสได้ความถูกสมผัสได้การเวี่ยนความผิดเป็นความถูกเพื่อตะหายใจอาศัยลมก็แก้ได้ อาศัยการเคลื่อนไหวเจื่อได้อาศัยความเห็นก็เช่ได้ความคิดเห็นแชื่ได้เช่นสมมติที่ความเห็นชอบผ่านตลอดลุ่มอลุ่นเห็นกระแสดได้เสริมไปด้วยสมมาสังกัปปะดําริออกวิ่งสะดวกสมมาวาจามีคําพูดออกไปอีก สับสนุนเข้าไปเข้มแข็งเข้าไปสัมมากรรมตาเข้มแข็งขึ้นอีกเือนการแสดงออกทางกายทางใจสัมมาชีวาทำใหมเวินชีวิตเดียงชีวิตทางที่ชอบไปอีก <c oughs> สัมมาวายามะความเพียรชอบ นีจะความทุกข์ได้ความเพียนเป็นทางหลุดพ้ น, นความทุกข์วิเดเยนะทุกขกมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความภาคเพียรสมาสติก็ลู่รอบรอบด้านมาทางไหนก็ลู้หรือว่าลู่รอบ ติเป็นดวงตาภายในตาทิพย์เห็นอารมณ์ก็เห็นรูป ก, ก็เห็นเสียงก็เห็นกลิ่นก็เห็นรสก็เห็นสมผัตอะไรเกิดขึ้นก็เห็นไม่ใช่เอาตาไปดูอย่างเดียวเอาหูไปฟังอย่างเดียววอมเห็นชอบมันลู่รอบ สมาสมาที่วางลงแล้วจบลงตรงนั้นจบลงตรงนั้นจบไปเรื่อยๆจบไปเรื่อยๆปานไปเรื่อยๆบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วรู้แล้วแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วไม่มีอะไรที่ขวางหน้าอะไรยสะดวก ชีวิตสะดวกมีทําเป็นเครื่องมือมีหลักปฏิบัติเป็นเครื่องมือหัดใช้เหมือนฉ <c oughs> ินใส่สีหูสังทองแม่จะผ่านน้มกัดเหล็กกัดทองสร้างช้อนหน้าปลาช่อนเยี่ยง ก็ผ่านได้แดนงูส่วงก็ผ่านได้สินใสสีสังทองสีหูตามหาจุมวุณธาตามเอาจุมวุทธานักสุ ม, มุณธาถูกยักษ์กลมพันนำพาไปเดี๋ ว, ว่าสินสมาธิปัญญาเนี่ ส่วนเท่าทั้งหกคือตาอหูจะโบ้ดิ่งกายใจไม่สามารถไปได้กลัวต้องจำเป็นต้องสืนใ ส, ส่สีสังทงสีหูสมุนทาหรือจิตมนทาคือจิตบริสุทธิ์สุมุนทา สุมนธาคือจิตที่บริจู์ถูกยักษ์พาไป่าอยู่ในอ้อมมือของยักษ์พิเรพันห้าตันหาร้อยแปดยักษ์แต่ว่าสินใสสังทองสีหูเนี่ยตามออกขึ้นมาได้ แม่น้ำกัดเล็กกัดท้องก็ผ่านได้ช่างจะซ่อนหน้าปลาซ่อนเงี่ยงแดดงูช่วงผ่านได้ก็อนินที่ยักษ์ของบันเอาปิดประตูถ้ำของสมุนทาก็งัดด อ, อกมันได้ ตามถึงตัวเลยทีเดียวได้จิตบริสุทธิ์ขึ้นมาก็ยากพอสมควรได้ขึ้นมาแล้วยังกลับขึ้นไปอีกอก็มีเหมือนสุวรรตาออกจากถ้ำมาแล้วยากกลุมฝันไปหายกินยังไม่กลับขอให้สั่งพี่ยากรสังสินใสสีงหงสสังทงวดบางครับ แล้วก็ลื่อมนั่นลืมนี่เพื่อรอเวลาให้ยักษ์กลับมาเพื่อยักษ์ไม่มีอำนาจตัดแขนซ้ายเอาแขนซ้ายมาต่อตัดแขนขวาแขนขวามาต่อตัดคอเอาคอมาต่อตัดขาเอาขามาต่อลบกัดสู้อย่างงั้นยักษ์ผพันธ์เงินบางทีเราเละอเพืมอโกรธได้แล้วบางทียังมีไอ้่นยัมีความโกรธอยู่ มัน้องมาต่ออีกได้มีกิเลสแล้วไปได้แล้วมันี้ยก็มาต่ออีกตัดแขนออกไปแวก็ยังเอามาต่อได้ <c oughs> ยันี้จุดเห็นใจสี่หวสังทรงนะราบได้เลยตามปิดบริจุดึ้นมาได้มักได้ผล เราจึงต้องคงเช่นโรงวาดีดีๆอย่าท่แท้มีความเพียนไปแม่จะปิดแล้วปีดีก็ช่างเหมือนเ็อต้องถูกทุกครั้งที่มันผิดหลงครั้งใดรู้ครั้งนั้นเนี่ยทุกที่ใดรู้ที่นั้น อะไรเกิดขึ้นที่ไม่ใช่จิตบริสุทธิ์ก็กลับไปรู้ที่นั่นเคลืนมาได้เคลืนมาได้ายา่อมถึงจุดหมายปลายทางย่อมสาเร็จได้ทาบ่อยๆทาบ่อยๆน้ อ, อ, <c oughs> องมาใช้เวลาที่นี่เพื่อทำเรื่องนี้อย่าแย่งเวลากันให้โอกาสเด็มที่ มีผู้ปรงอาหารมีผู้ที่ทำทุรให้แล้วหวังอย่างแล้วก็อยากช่วยโอกาสึงแก่ตัวจะได้มีโอกาสได้ทำงานช่วนตัวให้หลบล่วงไปให้บุญนั้งสองฝ่ายเกิดกุศ่สองฝ่าย ยืดเราต้องมีหมูมีคณะมิตร ด, ดีเพื่อนดีจะหายดีผู้แวดล้อมดีก็สะดว ก, กด้วยกันด้าความชั่วทําความดีเหยบแค่ดีป่วยก็หายได้เศร้าโศกก็หายได้ทุกข์ก็หายได้แม่แต่หนาวเราเดินโยกมด้วยกันก็ยังลืมไป ถ้าหนาวนั่งอยู่คนเดียวก็อาจจะไม่สู้เพื่อนก็นั่งอยู่นี่ําวัดสวดมนต์20นาทีลืมไปชิลแล้วความหนาวมันมีสมาธิกาวพระสูตรออกมาแต่และคำไม่แต่ล้วนลวนเป็นหลักฐานสมบัติได้จริง กับคำพูดออกมาสมบัติึงกิจใจยจึงมีกิจวัตรวิธีวัดที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่มีกรรมฐานยิ่งยอดเยี่ยมเข้าไปใหญ่สำเร็จศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอีกจงใช่สิทธิเรื่องนี้เอากราใช่เรื่องนี้ร่วมกัน เ่งพอใจกันผ่านความยุ่งเหยิงสับสนผ่านอาการต่างๆเขมาเป็นอันเดียวกันให้ทะเลาะกันไม่ดุไม่ดา่าไม่อิจฉาเหวี่ยงเหวียนกันช่วยกันมาถึงจุดนี้จุดไม่มีอะไร หมดไปหมดไปรูปไปรูปไปรูลแล้วยรูด้วยรูด้วยงั้นอน ญ, ญาสีวัฏถโพคอนทะโยอญยารูดแล้วหนอรูดแล้วหนอรูดแล้วหนอโอ้ใจเห็นความหลงได้เปลี่ยนหลงเป็นรูนี่มันมันสมน้ำหน้าความหลงเห็นความทุกข์ได้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้สมน้ำหน้าความทุกข์มันมีจริง ลู่ความจริงเมื่อเป็นอย่างนี้จริงๆไอ้อธิษั์สีมจจาามม่มีปัจจการมีอะไรมีปัจจการสามการสิบสองบอกคืนไม่ต้อนรับไม่ค่าไม่ถีที่อาศัยอะไรเกิดขึ้น ปรเดีเหตุที่เกิดทุกข์ก็ดีทําไม่ลูกก็ลูดแล้วลูดได้แล้วกําหนดลูดได้แล้วสมงตุไทยเหตุที่เกิดทุกข์ก็ละแล้วละได้แล้วนี่ปัจจัยการสามอาการดิบสองนี่โลดทําไม่แจ้งแล้ว ทำไรแล้วแจ้งแล้วเนี่ยมรรู้จักตาเบินไปทำชีวิตสมมาทิติเฉินชอบขึ้นมาคิดชอบขึ้นมาดำริชอบขึ้นมาพูดจาชอบกันนาะไปกันใหญ่เลยเป็นทางทะลุตะลวงไปได้เลย ทำไมมัจะเหลืออะไรของทาได้อยู่เนี่ยเราไม่ทําเฉยๆทามันส่งเดชไปเลยปล่อยไปเลยมันไม่ใช่ขีชาีิว่ามีจะตาวุตมาเป็นอาหลงเฉยๆอาการเฉยๆเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่ย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 เพื่อความสะดวกแก่หมู่คณะในการนี้เช่นประหารสมัยก่อนปะวารนาด้านผูใ้ใดประสงค์จะผ้าขาดผ้ามาจะเย็บผ้าปะผ้าให้จะย่อมผ้าก็เมตตาได้บอกจะได้ย่อมให้ กะติลั่วกะติผูพังก็ให้เมตตาบอกแะไปซ่อมให้มีพระหลังหลายรูปที่บารนาจิตการงานต่างของสงค์อี่นนยมีได้ไม่ใช่เห็นเจตัวเคยไปฝึกที่สวนงก ้างรงพ่อห ล, ลวงมาของานทำอาจารย์มีงานเลยให้ทำมาหาทำงานปกติคนละหลังละหลังเั้นพวกเราอยู่ในหางใจกันในเนื้อที่สามร้อยไร่องเล้าเป็นห้าอยไร่ก็อยู่คนเดียวตอมโน่นทำนี่ไปก็เสร็จเ็จไปก็คิดอยากจะทำงานเป็นจิตสงบ้างขอทำงาน มาขอทำงานแล้วก็แจกงานให้เห็นมีความพร้อมเพืาออาบน้ำพันเดียวมาใส่ชุดทำงานมาใส่ถุงมือมาก็บอกเจ้าก้อนหินยกตัวนั้นงัดตอนหินที่นี่างานหนั ก, นกสร้างลุมหอยบพของพิญญาณ ยังอยู่เท่าทุกวันนี้ก่อนก็หาดเขียนภาพหาดปั้นรูปชีวิตของนักบวชของพระบางรูปผู้มีฝีมือก็จับผูการเขียนรูปบางทีผู้มีฝีมือในการปั้นปั้นรูปต่างๆซ่อมโรงไฟฟ้า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 แบ่งกันนับพระทุกวันกล้วยก็ถ้าเยอะมากกล้วยเม่น้อยลูกก็ตัดเป็นท่อนเหมือนท่อนใส่ภาชนะนับพระทุกวันท่านหลายขินท่านหลายขินเขียนติดไว้เขียนป้ายติดไว้รับคนหลายขินเท่านั้นควาถ้าสองขินมันจะขาดคนอื่น ท่านได้คิดเดียวท่านได้คินเดีย ว, ลยวแล้วก็รับเอาวันละคิดหละยคินไปแล้วก็เพียงพอถ้าโลภมากก็เอาไปสองสามคิดก็ขาดคนเื่นคนหนึ่งก็ไม่ได้ฉันกลายเป็นความเฉียดฉลาดไปในตัวเฉยมีระเบียบมีการแบ่งปันในชีวิตจิตใจเหื่อคนอื่นบ้าง โอน้นี่มีแต่น้ำใจเอเือเพื่อเผื่อแผ่ยิ่งเราปฏิบัติธรรมได้ทำอะไรสำเร็จบ้างก็เฉียนเคลื่อนให้ทั้งคนอื่นคิดเห็นพ่อเห็นแม่ทันทีละเพราะเรามีสังคมมีตระกูลมีพ่อมีแม่พี่น้องเหมือนแม่เหมือนพ่อได้เลยบ้าคิดถึงลูกกน หองใหญ่อย่างนั้นห่วมรักกันเมื่ อ, อไรายได้ไรายก็คิดถึงคนอื่นอันนี้บางทีได้สัมปัสกับรถพ่อสามคิดถึงพ่อถึงแม่อันนี้พ่อก็ไม่ได้สอนแม่ไม่ได้สอนจะกกไปสอนเจ็ดจะได้ไม่ผิดโอกาสจะได้ไม่พลาดอย่างนั้นก็มีคนบอกคนสอนไม่สักน่อยไปสอนแม่สอนพี่สอนนอ้องสอนเพื่อนสอนเมิด อางพระโมกัลาสาดีวุฒเนี่ยว่าสาดีวุฒได้ฟังธรรมพระอาจจะคิดคิดถึงเพื่อนทันทีว่าจะไปบอกเพื่อนลา อ, า, า, ล า, อาจารย์อาจจะคิไปชวนสาโมคัลาเห็นอาจารย์ได้อาจาย์แล้วได้จะแล้วไปด้วยกันไปด้วยกัน วนกันไปจนเป็นสาวก้ายขวั่เราะเพื่อนรักกันตาบใช้งานพระศาสนาเราก็มีรถดุกของสาริบุตรโมคัลลาทุกวันนี้อานนท์อนุรุธบ้างพระสูตรที่เราได้สาธยายอานนท์สาริบุตรโมคลลานะอนุรุธ กนธัญญามากจัปปะล้วนๆแต่มีมรดกธรรมให้เราได้อาศัยเอามาศึกษาปฏิบัติตามทุกวันนี้รพระสูตรพระพุทธปาจิตสาวกปาจิตแม่แต่ของพระองค์ที่มรนก็ยังมี โจนดูร้ายขนาดนั้นก็ยังมีพระจิตที่น่ารักวัตโตมัเตสุทัตเตสุพ่อชาคโรระสังมัจิกัสโยอาติจุม เ, เ, มสสเมธาโสโยปปุเพมัชชิวาสาวนัปปมัจจิติขององค์ทิมานแล้วก็ไม่ใช่ จำไม่ได้ยังเป็นน่ารักอันพาทิตของสาวบกแต่ลูปเี่ล้วนแต่เป็นทรัพมาใช้ได้มีค่าแม้แต่ของฟิกซุนีผู้หญิงก็ยังมีค่าหลายลูกของพระเจ้าล้วนๆก็ยเยอะแยะ ไม่มีอะไรที่บกพร่องเลยไม่สามารถไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าจะจนใจชีวิตของเราเนี่ยจนทำใหม่มีทางเยอะแยะจนเจ๋อจนใจ๋อทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ทีก็้องหงมลองให้เสียใจเคยไปสอนคนป่วยที่เป็นโรคไต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 เปลี่ยนทำไม่อย่าไปเปลี่ยนหลายที่ไหนหยุดอย่าไปคิดตัง้ง จ, จิตใจเด๋ยไปหาทางไม่อยู่แล้ววางวางเลยวางเลยวางวางเลยไม่มีอะไรดอกไม่เป็นไรอย่าไปหาทางไม่มีวางไปเลยวางไปเลยกลับมาอยู่ที่รู้สึกตัวลมหายใจกลับมาอย่าไปหาแก่ตรงไหนกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวพอบอกปบเดี๋ยวก่อน เยยบกันทีนั่งงอนนิ่งฟังหลมหายใจเขาบอกดูท่าทางก็ดีขึ้นดีขึ้นโลดมาได้ <c oughs> อย่างนี้เลยเป็นครูสอนอยู่โรงไฟฟานตลอดผู้หญิงคนนี้ยราป่วยเป็นโรคไตสามสิบปีรากษาหาย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 เวลาเนอนอยู่โรงพยาบาลอย่างคิดอยากจะไปบอกคนเลยเวลานอนโรงพยบานจุฬานี่เป็นหลายร้อยหลายพันคนเขารู้จกักทิศทางบ้าไหมนาะอยากจะไปบอกกอนแต่มันก็ไปไม่ได้ยังไงคิดอยากจะช่วยคนนอนคนนี้ไปจริจริงทำไมต้องทุกข์ทำไมต้องไปเดือดร้อน ออนั่นจึงได้ยินได้ฟังเอาไว้ตกกะไดขอ้อกระจนอาจจะได้เอ้ยเคยได้ยินพระเจ้าสอนอย่างนี้มวยราวที่เราเป็นตกกันข้างมวยเอามาแค่เอามาแก้เอามาเปลี่ยนทําตามที่คําสอนออกมาปฏิบัติตามลองดูอาจจะตกกะไดขอ้อกระโจนเหมือน เจ้าสุโตธนะได้มักผลนิพพานเมื่อกจยขาดห้านาทีเท่านั้นเองลูกชายพุทธเจ้าไปนั่งสอนอยู่จอมใจถมตอมไปอะไนก็ดีหน่อยมีพุทธเจ้าไปนั่งสอนอันนี้เราก็จำไว้จะเป็นผู้สู่จักหน่อยไหนยินได้ฟังว่า เป็นมงคนเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากมากเป็นมงคนนั้นสูงสุดฟังใค้บอกผิดบอกถูกเรียนทั้งนั้นจะได้รู้ ปฏิบัติตัวเองถ้าผิดเราก็ไม่ทําตามแล้วถูกก็ทําตามไปแม้บางทีเราไม่เอกลักษณ์ของตัวเองได้หนึ่งละวัิที่บัติเป็นเอกลักษณ์ดำเนินชีวิตชัว่วไปทําเด็ดขาดดีทําไปใจบริสุทธิ์นี่เป็นขีดเช่นชีวิต จะมีกี่เดือนกี่ปีกี่นาทีกี่วินาทีจะใช้ชีวิตยอย่างนี้รู้ไหมทําดีทําไปจใจบริสุทธิ์ง่ายง่ายอย่างนี้มีได้ได้ได้เป็นอย่างนี้คิดของคนผ่านอยู่เช่นนี้ชีวิตเองไม่ใช่ปูด้วยผมด้วย อะไระที่กูขะก็เราก็ตั้งอยู่นี่แล้วอยู่กับโลกดงแห่งลูกรถกินเชียงอยู่หลายสิ่งหลายอย่างกับผู้กบน้นกับสิ่งเมื่ล้อมยั่วไม่ทําดีทําไปใจบริจุดไปเลยปานได้ตลอดไม่มีอะไรขวางหน้าได้ยิ่งใหญ่เป็นกองทัพทำปานที่ไหนได้ตั้งนั้น ชั่วไม่ทำดีทำไปใจบริสุทธิ์อย่างนี้เอาล่ะเนะเาะเราสมควรเฉยเวลากับพระพรกัน